เอาใหม่เอาใหม่สาธุาธเออต้องอย่างงั้นสิ <donkey> พอเป็นวัดแล้วต่อไปไม่มีวันปิดละนะไม่มีวันปิดปิดปิดประตูก็ปิดกันหมาว่าไม่มีวันเปิดวันปิดหรอกแต่จะมีวันว่าวันไหนแสดงธรรมนะ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 ให้จิตเป็นผู้รู้นะค่อยๆสังเกตเอาร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูเริ่มจากร่างกายก่อนง่ายที่สุดเลยนะดูกายของตัวเองเหมือนเห็นคนอื่นอา้าวทุกคนหลับตาสิหลับตานะยิ้มยิ้มหนะยิ้มมีฟันก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะรู้สึกไหมร่างกายนี้ยิ้มอยู่อา้าวหน้าเบืง้งรู้สึกไหมร่างกายหน้าเบืง้ง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 ไปเรียกว่าบัญญัติจะเดินวิปัสสนาได้ต้องเห็นตัวสภาวะแท้ๆเลยตัวปรมามัตธรรมแท้ๆอย่างไฟมันร้อนความร้อนเนี่ยคนไทยถูกก็ร้อนคนจีนถูกก็ร้อนความร้อนเนี่ยของจริงนะเพราะต้องเรียนจนถึงตัวสภาวะแท้ๆหรือปรมามัตธรรแท้ๆนะแล้วตัวปรมามัตธรรมแท้ๆนั่นแหละจะสอนไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นสภาวะธรรมไม่เห็นปรมามัตธรรมจะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกได้แต่คิดเรื่องไตรลักษณ์แต่ไม่เห็นหรอก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 นแรกก็เลยก็ตอนแปรงฟันตอนนะอาบน้ำออแล้วก็ตอนกินอาหารแล้วดีจริงเราบางทีก็ถ้าตอนทํากิจกรรมแต่เราก็เห็นช่วงก่อนจะนอนแต่ตอนนอนเราไม่ค่อยเห็นนะออนอนก็นอนไปสินะอนุ ญ, ญาตนะนอนนอ น, น, อนให้หลับไปเลย<ะ>ดีให้ฝึกหนู<ะ>ว่ายุกี่ขวบแล้วสิบครับแล้วรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมครับ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 หล <laughs> พ่อฟังแล้วกลัวเลยคนแรกเป็นใครว่ารีบนึกใหญ่าอดาดัมกับอีฟหรือเปล่าค่ะแล้วจะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากใจค่ะแบบที่เ้งทุกท่าน ท, ทุกคนเลยอะคะ่ะรวมทั้งผู้ปกครองที่มาะคะ่ะแล้วตอนนี้หนูขอถามเรื่องส่วนตัวบ้างอะคะ่ะจิตของหนูตอนนี้เข้าใจว่าตื่นขึ้นมารู้ตัวได้มากขึ้น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 ครับอยาก เ, <อ>าเรียนทุนะครับผมหลวงพ่อครับวันนี้พอดีผมพาคุณพ่อมาด้วยครับอยากกราบขอคําแนะนําให้คุณพ่ อ, เ, อเริ่องอะไรบ้างเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปหาครูบาอาจารย์ที่กาลสีนงะนะแต่ท่านสิน้นแล้วเจ้าคุณอริยะจามาหาเขียนครับขอกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมได้อ่าเดินตามรอย